สวัสดีครับวันนี้คือโอกาสพูดในหัวข้อจุดเปลี่ยนความเป็นเราในบอกเล่าก้าวต่อนะครับต้องสวัสดีน้องเพลินน้องนิชาตลอดจนออเดียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเพื่อจะรู้ว่าจุดเปลี่ยนความเป็นเรานี้มันเริ่มยังไงอาจจะมีาการอธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ยังเป็นเราร้อยเอร์ซ็นต์นเป็นธรรมชาติเดิมๆ เ, เป็นยังไงแล้วก็มันมาเปลี่ยนยังไงจุดไหนแล้วก็เพื่อจะให้เขาเห็นความต่างระหว่างเดิมก่อนหน้านี้ ก็คือพูดง่ายๆ่ before after นะครับจะได้แชร์ประสบการณ์ไม่ทราบใครจะแชร์ก่อนก็ได้อัมโนโมทนาครับเชิญครับตอนนี้คันนี้น้องใหม่เข้ามาต้องรับน้องก่อนนะครับคุณณดีได้แชร์ได้ไหมครับว่าอาถึงแม้ว่ายังไม่ถึงว่าเออพบความเป็นเราหรือพ้นความเป็นเราอะไรเนี่ยไม่ถึงจุดเปลี่ยนความเป็นเราแต่ก็แชร์ได้ว่าเออจริงจริแล้วมาสนใจ หลวงพ่ออสอสยังไงแล้วว่ามีความสําคัญยังไงที่ที่ที่เห็นหัวข้อนี้จุดเปลี่ยนความเป็นเราแสดงความคิดเห็นได้ครับเชิญครับอาจารย์เชิญใครคะเชิญคุณนดีนะครับได้พูดถึงว่าเออทําไมจึงรร ม, มาสนับจุดได้ยินไหมครับคุณนดีครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วคะ่ะสนใจว่าทําไมมาสนใจเรื่องไอ้นี้ตัวเราถูกรู้หรืออะไรทํานองนี้หรือว่าจะพูดในหัวข้อนี้ก็ได้จุดเปลี่ยนความเป็นเราได้หมดครับเ<ด>ชิญครับเอถามว่ามาสนใจได้อย่างไร คือเดิมทีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้เพราะเราตามหาแต่ใจรักนะคะเราตามหาคําว่าใจรักค่ะสหลังสุดเนี่ยหลังจากปฏิบัติมาเนี่ยได้ยินคําว่าเอาให้ออกจากความคิดแล้วเอาจิตเข้าบ้านเอาจิตไม่อยู่กับกายรู้สึกตัวนะคะแล้วเราเรา เราไม่เราไม่นิพานแต่จิตเขานิพานนี่นี่นี่เป็นคำสอนที่ที่ได้มาก่อนจะมาเจอแล้วจิตเนี่ยเราอะไม่ไม่ใช่เราอะตามหานิพานจิตเขาจะนิพานหรือไม่อยู่ที่เขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือให้จิตเห็นไตร ล, ลักษณ์ซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้เลยจะทำเมื่อไหร่ชาติไหนจะได้นี่พอรู้ว่าจิตจะต้องเอาออกจากความคิดเอามาเข้าบ้าน ก็เลยเซิร์ชหาคำนี่ค่ะว่ า, ารู้สึกตัวนี้เพื่อนอ่ะชื่อคุณเฉลวยอ่ะเขาก็บอกว่าเจอหลวงพ่อชนุนหลวงพ่อชนุนอที่ชนบุรีอ่ะจากคอร์สพูดเรื่องความรู้สึกตัวก็เลยเข้าไปฟังบอกไม่ต้องปฏิบัติท่านปฏิบัติมาสามสิบปีแล้วอ่ะตอนนี้ท่านท่านสำเร็จ ก, ก็สอนก็ถูกใจนะไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจแต่ แต่ยังไม่ทันได้ลงมือทาเลยแต่เป็นความรู้ใหม่ว่าเราจะเรามันมีตัวรู้เนี่ยหลวงพ่อชันนลเนี่ยพูดเรื่องตัวรู้ธาตุรู้วิธีของหลวงพ่อเรายัางฟังไม่ไม่ยังยังปฏิบัติไม่ได้ยังยังยั ง, ยงไม่เข้าใจฟังได้ประมาณสักสักเดือนสอเดือนทีนี้วันนั้นอะ่ะต้องเล่าซ้ำเนะเผื่อนมีมีผู้ที่ไม่ได้รู้ก็คือ นมันเป็นโอเพ่นแชทของหลวงพ่อชันนลซึ่งแอดมินเนี่ยจะเข้มงวดมากใครมาส่งอะไรไม่เข้าท่าสติ๊กเกอร์หรืออะไรจะคอยลบ Delete แ, แล้ววันนั้นอะโมงเช้าเช้ามากเลยไม่เค ย, เยนี่มันเรื่องเป็นเรื่องที่ประหารสั์มากที่จะทำให้รู้จักหลวงพ่อออสประมาณเดือนมกราแล้วมายืนอยู่จุดนี้ได้ต้องขอบคุณยม โยมลูกศิษย์หลวงพ่อออสแหละที่ส่งคลิปไปเรื่องความรู้สึกตัวทั้งสองคลิปเลยแต่เป็นหลวงพ่อออสซึ่งเราก็ตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวก็แอดมินก็มาม า, มาลบแล้วก็จะบ่นหรอกแต่ไอความคิดอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันมันอธิบายไม่ได้มันอยู่ในมันสั่งให้คลิกอะ่ะรีบคลิกเดี๋ยวมันจะถูกลบพอพอเมาส์คลิกคลิกมันก็ขึ้นเป็น youtube ท า, ทางนี้เลยทางนี้เขาก็ลบออกจากห้อง Open Chat นี่เราก็ฟังเลยค่ะเชื่อไหมว่าฟังทั้งวันเลยสองคลิปเนี้ยเราก็ส่งไปให้เพื่อนที่เฉลวยผู้เป็นกัะยาณมิกแนะนำให้รู้จักหลวงพ่อชานนจึงได้รู้คำว่าการฝึกการรู้สึกตัวนี่อาจารย์ยังได้ยินอยู่ไหมคะได้ยินชัดเจนครับพูดเลยครับค่ะทีนี้ พอพอเล้คลิกพอพอเล้คลิกแล้วแล้วเราฟังแล้วมันเข้าใจเลยนะนี่คือสิ่งที่ตามหาเราไม่ใช่แค่ให้จิตเห็นไตรลักษณ์แล้วนี่มันไม่ใช่ก็ทำความเข้าใจเรื่อยมาฟังตลอดเลยทุกวันพอดีก็อายุมากแล้วเนาะก็เสียแล้วอะในในช่องไม่มีอะไรนั่นะยังนึกเลยอุ้ยทำไมดีอย่างนี้ลูกคนทาไมน้อยจังเลย โดยเฉพาะเรื่องจิตที่หลวงพ่อพูดเรื่องจิตจิตแท้จิตเดอะไรเงี้ยฟังหมดเลยเนะ่ะอาจารย์มันเข้าใจอะ่ะจริงจแล้วคลิปเดียวสองคำที่ก็เข้าใจแล้วนะแต่หลวงพ่อเนี่ยยกตัวอย่างมากมายโอ้โข้อคุณจริงๆริงหลวงพ่อเอาจนเข้าใจเอาจนยอมอะ่ะอาจยอมเนี่ยแค่นี้แหละไม่ไปไหนอีกแต่มีเหมือนกันนะย้อนไปหา หลวงพ่อชาน น, นหน่อยเพราะเพื่อนฉลวยบอกว่าเฮ้ยลองฟังหลวงพ่อชาน น, นย้อนดูเอ๊ะเข้าใจรอบแรกไม่เข้าใจพอผ่านอาจารย์ออสไปฟังลยิ่งเข้าใจน่ะ้วดีก็ไปไปก็เออก็ดีเหมือนกันก็รู้สึกดีจะดีได้วันหนึ่งก็ทนไม่ไหวกาา็มาฟังเสียงหลวงพ่อออสอีกก็มาเจอคลิปคลับเฮาส์นี่แหละ เมื่อก่อนจะไม่ฟังเลยไม่ฟังโยมที่เขาออกมาเพราะว่ามันจะมีคําถามซึ่งปัญหาไม่ใช่ของเราอะ่ะเรามีปัญหาของเราเราเราต้องการฟังที่หลวงพ่อพูดแล้วมันโดนปัญหาเราปัญหาคนอื่นเนี่ยไม่อยากฟังนะคะแต่พอรอบนี้หลังจากแวะไปหาอาจารย์ชาโนอนอยู่วันสองวันรอบเนี้ยอาจารย์แชร์มาทาง youtube เยอะแล้วมาเจออาจารย์โยมนี่แหละ นต้องขอบคุณเลยที่คลิปแรกเนี่ยเป็นอาจารย์จอมที่มาให้บทสรุปที่พูดเมื่อเมื่อตอนทุ่มเนี่ยว่าโอ้ยปฏิบัติยี่สิบปีเนี่ยยังไม่เคยเรียนอาไปทําด้วยก็เป็นแต่เราปฏิบัติเป็นแต่เราศึกษาเป็นแต่เราเราเราถ้าไม่ได้เจอพระอาจารย์ออสเนี่ยชื่อยกย่องว่าพระอาจารย์ว่าเพียงหนึ่งเดียวอะ่ะในในใน ในความรู้คร่าในวงการของอาจารย์จอมระดับอาจารย์จอมเนี่ยก็ยังเพิ่งเจออาจารย์อ๋แล้วเรามาเจอด้วยเนี่ยโอมันยิ่งมันยิ่งยิ่งตั้งใจใหญ่เลยยิ่งแตงใจฟังที่ขับเฮาส์เขาถามกันอะหมายถึงอาจารย์จอมมามาขอบคุณว่าอาจารย์อ๋อเนี่ยเป็นคนเดียวที่พูดเรื่องนี้แล้วขอบคุณมากที่เมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ยังนามาสอน ไม่อยู่เงียบๆลาพังถ้าอยู่เงียบๆ เ, เราก็คงจะไม่มีใครได้รู้แล้วขอบคุณรทราบซึ้องอาจารย์จอมด้วยที่ได้ไ ด, ได้ได้สรุปขอบคุณครูบาอาจารย์แบบนั้นมันเป็นใปรับรองหนักเข้าไปใหญ่อะ่ะกับสิ่งที่เราคิดคือเราคิดเราก็ยังพูดไม่ได้อย่างอาจารย์เลยมันเป็นคำพูดที่ฉลาดมากกระชับ ก็ยังไม่เคยลืมมาติดตามอาจารย์จอมตลอดเลยว่าทําไมจะรู้จักนาะเมื่อไหร่ที่มีคลิปครับเฮาซ์เขาเข้าไปฟังเพื่อจะฟังอาจารย์จอมนี่แหละนี่ค่ะอาจารย์จอมจบยังจบได้ยังพูด<อ>ได้อีกครับ ว, ว่าเออแล้ว<อ><ท>แล้วทําไมฟังอาจารย์จอมประโยคไหนที่มีความรู้สึกศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออบูชาอาจารย์ออสยังไงคือเราเร า, เรามีความคิดแบบอาจารย์จอมแล้วว่า เราตามหาเรื่องตามหานี่นาดีตามตั้งแต่ปีสามสามเนาะมานี่ก็สามสิบกว่าปีแล้วอะใช่ไหมเราเพิ่งมาเจอเมื่อเมื่อมกลาเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าอา้าวตัวนี้ไม่เคยรู้จักเลยอะแล้วคำตอบที่ที่พุทธศาสนาสอนอะ่ะก็คือกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์อะ เป็นแต่กายกับใจที่เป็นทุกข์เราต้องละส ก, กายยทิถีอ่ะเราต้องลกต้องเห็นว่ากายและใจไม่ใช่เราอ่ะรู้ว่านี่คือโจทย์ที่เราจะต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าไม่ใช่เราตรงไหนอ่ะแล้วเขาเขาบอกว่าต้องบรลรลุอรหันต์แล้วเราจะละได้โอ้ยเราเมื่อไหร่จะรู้บรรลุอรหในเมื่อสมาธิก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ชอบจงกรมก็ไม่ชอบ เราเราก็ต้องอยู่ในสังสารวัตนี่ตลอดการน่ะตกค้างอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้อืมสุดท้ายก็ถอดใจแล้วอาจารย์จอมถอดใจแล้วไอ้เรื่องจจนิพานหรืออะไรเนี่ยคิดอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อเมอวินาทีที่จะต้องตายเหมือนที่เราเคยเจอมาแล้วอ่ะว่าเราจะมีตรงไหนเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปอาบายอืม เรื่องนิพานนี่ตัดไปเลยไม่มีทางเลยก็ขเข้าใจว่าตรงมันเริ่มที่ที่มีวิริยะในเรื่องสมาธิแล้วก็อะไรต่ออะไรที่เขาทำรุ่นพี่เขาทำกันนะให้มามาลองแล้วไอ้ไอ้สิบสี่สิบสี่ท่าสิบสีก็ทำไม่ได้ใจมันใจมันจะขาดนะเวลาถ้าตั้งสติเนี่ยมันมันจะมันจะบ้าเลยอะ่ะนี่มันเป็นพวกเนี้ยค่ะ อ่านมากรู้มากมันจะขึ้นมาในจิตมันไม่ยอมไม่อยู่แล้วเราก็โกรธโกรธตัวเองมันเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ออยู่จุดนี้เนี่ยเราก็เลยอาศัยทําความดีนะเราก็คิดบวกก็ไปศึกษาพวกกดแขงแรงดึงดูดอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เขาทํากันอะทํำยังไงจะให้เราอะอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีอะไม่เป้าหมายคือไม่ตกราลกอะเ ป, เป็นเป้าหมายเดียวที่ ท, ที่ตั้งใจไว้อะนะคะดังนั้นก็ ถือว่ายังว้าเวยอยู่เนาะทีนี้ก็เอ๊ะมามาม า, มาพูดถึงคำพูดคำถามว่ามามารู้สึกยังไงเหมือนอาจารย์จอมทีนี้พอมาเจอมาเจอหลวงพ่อพูดเรื่องมันมีตัวที่สามที่เราไม่รู้นะคือตัวผู้รู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีไม่ปรากฏมันไม่เกิดนะเป็นสภาพที่อย่างเงี้ย ที่รู้กันเนี่ยพวกเราเป็นสิทธิ์มารู้กันเราจะต้องมีคนมาบอกนะแล้วเราก็ทำความเข้าใจตามที่หลวงพ่อบอกตัวเองก่อนตัวท่านเองว่าเมื่อก่อนอะจมาก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวเองอะมีแต่เราเห็นอะเรื่องดูนาฬิกาจ้องนาฬิกาแนละ้วหลวงพ่อก็สอนหลายคลิปนะเรื่องนาฬิกาเนี่ย ท่านก็บอกว่าพอพอท่านจับหลักอันนี้ได้เอ้านี่เราเรารู้เนี่ยว่าเราเป็นคนจ้องนาฬิกาเราเห็นเรานี่ตั้งแต่นั้นหลวงพ่อก็เอาจริงเนาะท่านเป็นคนเราจริงอ่ะท่านไปไหนท่านก็จ้องทำเราก็ทําตามท่านท่านสอนอะไรเราก็ทําตามเราก็ฟังคลิปท่านทุกวันไม่ทําอะไรเลยฟังทั้งวันจริงจริงแล้วท่านก็มีตัวอย่างที่จําได้ที่อยู่ในใจก็คือท่านดูไอเนี่ย ให้เป็นภาพกระจกตัวปลอมนะเราก็รู้อยู่ในกระจกแต่ตัวจริงเราทนโทษอยู่เนี่ยเราจะก็ต้องยอมรับว่ามันคือขันห้าที่ในตารามันบอกแต่หลวงพ่อบอกเราเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งซ้ำไอ้ไอ้ไอผู้รู้เนี่ยที่มารู้มาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วท่านพูดอยู่คำเนี้ยคาเนี้ยที่เราต้องยอมรับเลยว่าตัวเราที่เป็นขันห้ามี มีอายตนาหูจมูกลิ้งกายใจพวกเนี้ยมันรับเฉยแต่มันไม่เห็นที่เราเห็นเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเห็นไอตัวเราตาเราเห็นไม่ใช่มันเป็นรัลบรู้อยู่ตัวหนึ่งตรงเนี้ยครูบาอาจารย์บอกพระพุทธเจ้าบอกมานเนี่ยจับตรงเนี้ยได้แล้วก็โยมวิชัยมาพูดบอกตอนเนี้ยอยู่กับตะคาย หลวงพ่อก็ชัดเลยรับได้ไหมอ่ะยอมรับได้ไหมถ้าหลวงพ่อจะบอกเนี้วันนั้นอูหลวงพ่อสอนดีมากเป็นคลิปเรื่องปฏิบัติธรรมตั้งนานทําไมไม่บรรุโอ้คุณวิชัยนี่เป็นคนที่มีปัญญามากคงคงจะไม่ใช่ปฏิบัติมากแบบแบบแบบพวกท่านออสนะเนี่ยคลิปเนี้ยไปฟังเลยรู้เลยหมกมุ่งเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยก็เกิดความ มามามามาม า, มาเองจนจนยอมรับอะ่ะยอมอะ่ะหลวงพ่อถามว่ายอมรับได้ไหมพอยอมรับได้แล้วก็มาหามาหาประสบการณ์เองอะ่ะจนจนจนโอแล้วนะหลวงออาจารย์จอมโอเหมือนอาจารย์จอมละยอมลงแล้วอะ่ะก็อยากจะขอบคุณหลวงพ่อไงอแต่มันขอบคุณไม่ได้ว่าท่านอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะขับเท้าก็เข้าไม่เป็นทีนี้พออาจารย์จอมมาพูดหัวเทปวันแรกที่เริ่มขับเท้าเนี่ย อาจารย์จอมพูดช้าๆล้วบอกว่าปฏิบัติตั้งยี่สิบปีนะเป็นคนที่มีวิทยาเอาจริงลำบากมากทุกมากเขาไม่เคยได้ยินเรื่องผู้รู้ตัวรู้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนนเดียแล้วอาจารย์จอมยังพูดต่อว่าตัวเองลำบากแล้วไม่ไม่พอ ยังพาคนอื่นลําบากด้วยก็คือลูกศิษย์ไปสอนเขาให้ยกไม้ยกมือคือไม่มีใครรู้จักตัวรู้ถ้ารู้เนี่ยพอมารู้ปั๊บเนี่ยแม้แต่อภิธรรมก็เข้ามีถึงตัวนี้เลยรู้เลยว่าโอ้โถ้างั้นมีแต่หลวงพ่อออสหลวงพ่อออสเท่านั้นนั้นมาพูดเรื่องนี้มันตื่นเต้นมันตรงกับที่เรารู้สึกอะ่ะเพราะเราไม่ได้ไปหาพระเยอะแยะไงโอ้แสดงว่าเราอะ่ะ มาที่หลังก็จริงแต่ว่าเนี่ยครูวาอาจารย์คืออาจารย์จอมเนี่ยเขาบุกป่าฝ่าดงทางเป็นเทือกจนปราบราบแล้วเขามาขอบคุณโอ้ยดีจังเลยคนนี้เนี่ยคือคนที่บรรลุแล้วต้องเจออะไรๆๆแล้วอ่ะคือจบแล้วอ่ะเหมือนพระนนท์ที่ว่าปฏิบัติเข้มงวดมาเยอะแยะพอปล่อยวางมาเจอของจริงก็บรรลุก็เลยคิดว่าโอ้อยากจะขอบคุณ อาจารย์จอมกอนแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อด้วยถ้อยคําของอ า, า อ, อาจารย์จอมนี่แหละเป๊ะเลยว่ารู้สึกอย่างนั้น่ะคือเราไม่มีแล้วอ่ะเรายอมแล้วอะเราถอนเราแล้วความคิดเราออกได้แล้วอะตามหามาตั้งนานว่าจะเอาตรงไหนมาถอนมันนี่ค่ะได้คําตอบไหมฮะจบแล้วอาจารย์ก็ภัยละยิ่งนะครับที่ได้มาสนทนาตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะว่า อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเออไอตัวกายที่ว่าทุกขตัวใจที่เป็นทุกเนี่ยยังไม่ใช่ศัตรูหมายเลขหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือความเป็นเราซึ่งกายใจก็เป็นทุกนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวต้นๆที่ที่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งดังนั้นคุณนดีก็เป็นคนที่มีความนอบน้อมแล้วก็ทิ้งความรู้เดิมๆได้มีแนวโน้เป็นพิธีกรได้เลยทีเผมเจ็บคอนี่ไม่หายสักทีดังนั้น ก็ถือว่ามีมีมีดาวรุ่งมีมีผู้พีมีผู้ดําเนินรายการเพิ่มมาอีกคนหนึ่งพิธีกรได้ในอนาคตแล้วก็ได้ฟังคุณนดีพูดถึงว่าประสบการณ์ของการเป็นโค้ดคลยๆจีหน้าก็จะต่อไปค่อยมาถามอีกว่าเออมีประโยชน์ยังไงที่มาอยู่ตรงนี้และดีกว่าการที่ได้เป็นโค้ดสอนคนอื่นยังไงมันดีว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็สนทนาต่อนะครับไม่ทราบว่า คุณนิชาพร้อมหรือยังครับที่จะพูดถึงจุดเปลี่ยนความเป็นเราเชิญครับจุดเปลี่ยนพี่จุดเปลี่ยนความ เ, เราหนูเริ่มตรงไหนได้ตัแบบต้นเลยเอ๋อได้หมดนี่ครับอืมก็เริ่มจากหลายปีมาก่อนนานมาก่อนแค่เริ่มมาจากอ่การรู้สึกความรู้สึกตัวแต่ไม่ได้เป็นรู้สึกกายแต่ว่าเน้นไปทางอ่า เพราะว่าตัวเองมีจริตที่คิดมากคิดเยอะคิดวุ่นวะวุ่นวายมาดูกายมันน่าเบื่อเหมือนแบบมันไม่ได้เอ๊ะทำไงดีก็เลยก็เลยไปศึกษาว่าเออจิตเนี่ยแหละตัวที่เราสนใจมันอ่ะเราก็เริ่มจากการมีอะไรก็รู้เราเริ่มจากการมีคำถามว่าเอ๊ะ เวลามีอะไรมันมีอีกตัวที่โผล่มาแสดงว่าตัวเรามันมีสองอันมันไม่ได้มีอันเดียวที่เป็นตัวเราอ่ะมันก็เริ่มจากเบสิกคาถามเลยว่ามันมีอีกตัวที่มันรู้อยู่พอเริ่มเบสิกเราก็จะรู้ว่าตัวนั้นคือผู้รู้เราก็เริ่มเริ่มศึกษาหาไปเรื่อยเรื่เรื่องการการรู้สึกอารมณ์ต่างๆเอ่อแต่เราไม่ได้ไปแยกว่าอันนั้นเป็นอารมณ์เวทนาอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องไออ่า บาลีหรือคําแปลของอะไรตัวไม่ไรเราแค่ดูความจริงข้างในจิตใจเรามีอะไรบ้างมันมีความคิดมันมีอาการกโกรธหลงโลภดาบน่นในใจนี่นะไม่ใช่ข้างนอกในใจเนี่ยแหละมันอยู่วนเวียนอยู่แต่ที่นี้มันมีกตัวที่ที่มันแบบอา้าวแยกกันกับตัวนั้นอา้าวเราก็เลยแบบตั้งชื่อว่าอา่าผู้รู้ ที่มันรู้ทุกๆอาการก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะเบสิกก็คือตั้งตั้งรู้ขึ้นมาหมายถึงว่าพอมีอารมณ์ก็ฝึกก็ฝึกเริ่มฝึกเลยว่าพอมีเริ่มฝึกจากความโกรธเพราะความโกรธเห็นชัดก็โกรธให้รู้อ่าเสร็จแล้วก็ดับก็ไม่ต้องรู้อะไรแค่โกรธก่อนก็รู้ไปแค่นั้นก่อนสักกี่เลือดกี่เดือนไม่รู้แหละแค่นั้นก่อนอ่าไม่โกรธก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร หลังจากน้ำเงาพัฒนามาเป็นคิดก็รู้โกรธก็รู้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้อะ่ะเหมือนว่าคิดยิบย่อยก็รู้โกรธด่าว่าใครในใจก็รู้มีอาการกระเทือนนะ อ, อกก็รู้ว่าเวลาโกรธมันร้อนลนในใจมันรู้สึกยังไงพอกระทบหู เวลาใครดา่ามันก็เห็นว่ากระทบหูแล้วนะเดี๋ยวมันเป็นความโกรธแล้วโอก็เห็นไปอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้มาหลายปีมากแล้วก็เออจนจนจนผู้รู้ในนี้ก็คือทำงานเองเหมือนว่าเราเบื่อกับการมันา น, นั่งฝึกแล้วเออมันรู้ตังก็มันก็ชัดเจนละเออช่างมันงั้นให้ปล่อยมันให้รู้ไปเองก็ได้ไม่หลงบ้างรู้บ้างก็ไม่เป็นไร ปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็ปล่อยไปงั้นก็หลายครั้งหลงหลงนานก็มีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็ปล่อยแล้วให้มันรู้เองก่อนอทีนี้สติก็เริ่มชํานาญเหมือนมันรู้เร็วขึ้นออะไรก็อะไรเกิดก็รู้เกิดรู้รู้ปับ๊บเกิดปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บอย่างเงี้ยค่ะฝึกจนเพียรมากรู้สึกก็รู้ว่าเพียรมากคือใช้ความเพี ย, ยรแหละเพราะว่าไม่ได้เพียรในการนั่งสมาธิ ทีวิตนี้คือนั่งสมาธิสามครั้งครั้งละสิบนาทีแค่นี้จำได้แค่นี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่นั่งทำอะไรแบบนานๆนนนนแล้วเบื่อแบบต้องมีอะไรใหม่ๆตลอดเนี้ยมันก็เลยนั่งสมาธิไม่ไม่เคยแบบนานกว่าแบบสิบห้านาทีได้ะแล้วแบบนานที่สุดละก็เลยแบบอยคงไม่รอดแน่สมาธิอย่าวังเลยด้านนี้เอาแบบนี้ไปก่อนก็ มันก็มีบ้างที่สวดมนต์ในใจก็เหมือนว่ามีคนอธิบายว่าอืมเอาไงถ้าสวดมนต์ลองสวดมนต์ดูทั้งวันทั้งคืนคือทั้งวันทั้งคืนจริงๆในฝันยังสวดเลยอย่างเงี้ยหนูเคยทดลองแบบนี้มาเลยแบบสวดไปเสร็จแล้สวดมนต์นี่มันเห็นความคิดชัดกว่าเดิมอเราก็เข้าใจแล้วอ๋อเวลาสวดมนต์ความคิดมันจะยิบย่อยเลยยังไม่ทันคิดอะไรก็รู้แล้วเหมือนว่าแบบ มันคิดปุ๊บรู้ปั๊บแบบละเอียดละเอียดมากๆเลยเหมือนว่าจะหยิบจับอะไรก่อนนั้นมันจะมีความคิดรู้เลยตรงนั้นอ๋อจะไปหยิบยาสีฟันละพอหยิบแปรงฟันละเราจะไปหยิบยาสีฟันแล้วรู้เลยว่าความคิดมันอยู่ตรงคือความคิดมันจะมาเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยจะไปหยิบยาสีฟันนะคือมันแบบโหละเอียดเลยเราก็บอกอไม่เอาเหนื่อยคือไม่ต้องมารู้ขนาดนี้ปล่อยปล่อยแบบทอยออกมา เออเหมือนหลังๆก็แบบอันนี้คือแปดในลอันนี้ที่พูดคือทำมาแปดปีแล้วคือการรู้ดูจิตให้ชำนานะคะให้จิตมันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยในฝันยังรู้เลยบางทีแบบโอ้โหชัดมากฉันฝันอยู่โอเคอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเราเพียนมากอะที่จะจะรู้ตัวไม่ใช่รู้ตัวในกายหเหมือนรู้จิตอะแล้วก็ จนกระทั่งมันออโต้ออโต้ก็แบบโอ้โหเพียนแบบออโต้ออโต้อะไรเงี้ยแล้วก็เออแต่แต่มันยังมีความรู้สึกอ่าอ้าว ก, ก็ก็รู้ผู้รู้ก็เด่นดวงขึ้นมาแบบชัดตั้งมั่นสติโอ้โหชัดตั้งมั่นไตรลักษณ์โอ้โหเห็นอยู่เนืองเนืองก็ไม่มีอะไรก็เห็นไปทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นอ่าเห็นการเกิดดับอ้าวแล้วยังไงมันก็ยังมีตัวเรารู้อยู่อะ เพราะว่าตัวรู้มันเด่นเราก็รู้อยู่ว่าเรามีตัวเราแต่แต่มันมันมันมันมันหาทางออกไม่ได้ว่าเราไปยึดจิตจิตมายึดคือจิตคือเรามันเป็นอันเดียวแล้วไงแต่อาการนี้ไม่เกี่ยวละอาการโกรธหลงอะไรอะไรมันมันจืดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ตอนหลังๆมันเนี่ยค่ะจิตคือเรานี่เด่นเด่นมากแต่เราเราเราหาทางออกไม่ได้อะว่า รู้ขนาดนี้ตั้งนานตั้งเจ็ดแปดปีแล้วทําไมมันยังมันยังเหมือนเดิมมันยังมันพัฒนาก็จริงแต่มันมันพัฒนาแค่เนี้แหละหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะรู้อะไรอีกแล้วมันจะรู้สวรรค์อะไรก็มันก็ไม่ใช่เรื่องละคือรู้จิตก็จบตรงนี้ใช่ไหยมันก็ไม่ใช่มันก็มันก็ยังลังเลสงสัยว่ามีอะไรต่อมีอะไรต่อก็หานูทนหานี่มาอาจารย์ชานนหนูก็รู้จักค่ะเพราะว่า มีมี open chat ของเขาแต่หนูไม่เคยไปไม่เคยไปถามก็ก็คือหนูก็เป็นคนรับฟังทุ ก, ท, กทุกคนที่ที่สามารถแบบทำให้เราเอา่อมีดีขึ้นแบบอ่พัฒนาขึ้นไม่ได้บอกว่าต้องคนนี้คนนั้นคือไม่เริ่มจากพระจารยร์ประมูก็เบสิกตรงนั้นให้ให้แน่นๆเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปนูน่นนี่นั่นเงนี้ยค่ะอา่าจนกระทั่งเราเจอหลวงตานะหลงศัก อ่ลงตาแลลงศัก YouTube เพราะเพราะหนูอยู่ต่างประเทศหนไไไูไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ได ม, ามากาบอะไรใครเหมือนไม่มีอาจารย์แบบจริงจงจังๆแต่ก็ทำเท่าที่ทำได้คือฟัง YouTube บ้างดูใจของเราไปมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอยู่แล้วอ่าแล้วก็เวลาอยากคอนเฟิร์มว่าเราทำถูกไหมเราก็ไปฟังซะไอในในหัวข้อนั้นซะอะไรอ๋อโอเคได้ละโอโอเคอย่างเงี้ยก็ผ่านไป เสร็จแล้วพอหลวงตงงาหลวงศาพูดเรื่องเน้นเรื่องแบบรู้เราหรือว่าสังขารวิสังขารอะไรเราก็เราก็ฟังตรงนั้นมาเป็นปีแต่ก็ยังคิดว่าเรารู้ดูไอ้ที่รู้เนี่ยมันโอเคแล้วทำไมมันมีอะไรอีกเหรอมันหาไม่เจอมันก็รู้ซื่ อ, อในที่นี้ก็รู้ซื่ออยู่อา้าวมันก็ไม่ได้แสกแสงอะไรรู้ปับ๊บรู้ปับ๊บไปตลอด ก็ยังไม่เก็ตเพราะว่าหลวงตาหงศักเข้าหาไม่ได้เลยเพราะเขามี็ลูกศิษย์เยอะมากแล้วก็แบบต้องไปแบบที่เขาอยู่เราก็ไปไม่ได้โควิดกันอีกก็แชทอะไรก็ไม่มีมีถ้าถ้าถามไปมลูกศิษย์เขาตอบเราก็ไม่เก็ตอีกก็เลยพอดีไปเจอยู u ูบอ่าถ้ามันคนหนามันก็เจอหนทางะคะ่ะก็เลยไปเจอ youtube ว่าอ่าของของหลวงพ่อออสเขาก็ พูดแนวนี้เลยเป๊ะๆๆๆเราก็บอกเอาละได้ละครูวาอาจารย์ฉันอย่างเงี้ยหนูก็แบบเข้าไปเลยเข้าไปใน YouTube แล้วถามตรงๆนั้นเลยว่าพระอาจารย์คะหนูสามารถมีเส้นทางไหนที่หนูที่อาจจะถามอาจารย์ได้อย่างงี้เลยตรงๆเลยพระอาจารย์ตอบมาเลยคาเพาแล้วก็นี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ว่าเรามาถาม เราก็แบบเข้าใจว่าจิตเนี่ยอ่ามันเป็นเราก็จริงเรารู้แต่จะเอามันออกได้โดยการถามคำถามอีกทีว่าใครมารู้จิตอีกทีอืมพอพอพอไม่งั้นมันจะวนเวียนวนเวียนอยู่กับการรู้รู้ยังไงมันก็รู้ชัดแค่นั้นก็ก็มันก็ไม่ก้าวหน้ารู้รู้แล้วถึงสมมติสม ม, ต, ส ม, มติเราถนัดกายเราเราเข้าใจว่า สมมุตินั่งสมาธิอยู่อ่ารู้แล้วกลับมาที่ฐานรู้แล้วกลับมาที่ฐานมันก็แค่นั้นคิดว่านะมันแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องว่าการรู้จิตสําหรับคนไกลก็คืออ๋อโอเคฉันรู้แล้วกลับมาฉันก็มันก็กลับแล้วไงต่อคือมันมันมันหาทางออกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็รู้แล้วกลับอ่ะแล้วมันก็อยู่แค่นั้นวนเวียนอยู่กับการรู้แล้วกลับแต่ใครรู้นี่เป็นอีกคําถามหนึ่งซึ่งขึ้นไปจาก ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่เรารู้อยู่นั่นน่ะใครรู้ก็คือเรารู้ยังไม่จบมันยังไม่จบว่าเราก็แค่พูดว่าใครรู้มันไม่ได้เราต้องเห็น <c oughs> เห็นจนเห็นว่าเราเป็นจิตและจิตไปรู้อย่างเงี้ยคือว่าเราต้องแยกเรากับจิตให้ได้ใน ตัวนั้นไม่งั้นแค่ว่าเรารู้โอเคโอเคก็เรารู้แล้วไงต่อเราก็ต้องเราก็ต้องเห็นอีกด้วยว่ามันเราเนี่ยเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วเวลาเราถามเออเราเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วนี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าวันไหนที่เราอะหรือจิตเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นตัวถูกรู้ตอนนั้นมันก็สลัดไอตัวนั้นเองเหมือนว่าถึงแม้เราจะถามไปเหอะ สิบครั้งยี่สิบครั้งใครรู้โอเคเรารู้มันยังไม่เก็ตรจนกว่าเราเห็นว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาดูตัวนั้นอีกทีแล้วตัวนี้เป็นตัวถูกรู้แล้ววันนั้นจะเก็ตค่ะไม่งั้นมันก็ถามไปก็ติดอยู่ตรงนั้นอีกติดอยู่กับคําถามอีกก็มันก็ไม่จบนะคะก็เลยหนูก็เราก็ทําไปงั้นเพราะแต่แต่โชคดีว่า โชคดี ว, ว่าเราถามสองสามครั้งแล้วก็โอ้อยางเงี้ยมันก็อ๋ออะไรเงี้ยพ อ, อเสร็จสภาวะก็ชีวิตพลิกจริงค่ะชีวิตพลิกไอที่ว่ารู้อยู่นั่นรู้ตื่นปุ๊บก็รู้ความคิดเลยโอ้โหฉลาดเก่งฉันเก่งฉันตื่นปุ๊บฉันรู้หายเหมือนว่าเหมือนว่าอีกตัวหนึ่งทำงานแทน ไอ้ตัวนั้นมันไม่ได้แบบโอ้โหตื่นปุ๊บรู้มันก็รู้อยู่ของมันเป็นแบบเบาๆไม่ได้ว่าโอ้โหย้ําซ้ําเติมแบบฉันรู้อะไรมันไม่มีนะก็รู้อ่ารู้อ่าแบบเบาๆอะไรเงี้ยเออก็มันไม่ได้แบบปัจจุบันฉันต้องมีสติเหมือนเดิมไงมันไม่ต้องมีสติมันมันมีมันมีครอบคุ ม, ม, อ, มอยู่อ่าแล้วก็ มันมันเหมือนกับว่าไอ้ผู้รู้คนเดิมจะเรียกว่าคนไม่ได้หือนไอ้ผู้รู้ที่เราคิดว่าเป็นเราอ่ะมันมันทํางานลถเหมือนเหมือนมันมันไม่ค่อยจะทํางานแล้วตรงนั้นเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เด่นกว่าไอ้ตัวที่ไปดูมันที่ไปสลับมันนั่นแหละกาลังทํางานตอนนั้นนะ ก็ทำไปเออรู้สึกเบากว่าเดิมเออตัวรู้คนเราถ้าไม่รู้สักอย่างก็โอ้สบายเนี่ยเหมือนที่ครั้งหนึ่งคุณวรากรเคยบอกว่าถ้าไม่รู้มันก็ไม่ทุกจริงค่ะแต่ว่าธรรมชาติคือต้องรู้ไงเราก็เคยคิดว่าถ้าเราโดนตีตรงมือแล้วเราไม่รู้สึกมันก็จะไม่ทุกใช่ไหมทำไมเราต้องรู้ด้วยเราก็เคยมีคำถามชีวิตนี้ทาไมต้องรู้ แต่คำตอบเราก็ต้องหาเลยว่าหาอย่างเลยว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเราแก้ไขตรงนั้นไม่ได้อะยังไงโดนตีก็ต้องเจ็บแต่เราก็มีคนที่ไปเจ็บมันก็เลยทุกเราก็เลยหาอุบายว่าเอาถ้าไม่มีคนไปเจ็บตรงนั้นคือไม่มีตัวเราเนี่ยปีดไปไปติดอยู่กับไอตัวรู้ตรงนั้นอะใช่ไหมมันก็แค่เจ็บมันไม่มีใครที่จะไปเจ็บมันแค่เจ็บเนี่ย เราก็ฮะก็ก็รู้ตรงนั้นอยู่แล้วก็เออว่ามันก็อืเข้าใจตรงนั้นอยู่นะอ่าแต่มันก็ยังมีใครอยู่หลังจากนั้นก็ก็แค่วันนี้เนี่ยไม่ใช่หลังจากนั้นะวันนี้ก็คืออยู่ดีๆเราก็รู้ของเราเราก็ไม่ได้รู้เหมือนมั น, ม, นมันรู้อะไรทุกอย่างหมดละโอเคเราเรียกมันว่าพิสังขารใช่ไหมคะ เราก็เบาเราก็นึกว่าโอเคนี่สุดแล้วโอเคเราก็แค่ทําเป็นอย่างนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเพราะทําอะไรก็ไม่ได้นะจุดนั้นมันมันพยายามจะรู้จะดูจะดูความคิดอะไรมันมันไม่ทําแล้วมันมันไม่มันไม่อะไรกับมันเท่าไหร่แล้วอะ่ะเหมือนมันจืดไปแล้วตรงนั้นทีนี้อยู่ดีๆนั่งแบบก็เล่นกดโทรศัพท์ไปเรื่อยก็มีแวบขึ้นมาเลยว่า ไอ้ที่เราเนี่ยคิดว่าไมใช่คิดทีไอ้ที่เราไปบอกว่าวิสังขารนะ่ะมันเป็นตัวดูอยู่หรือว่าสังขารถูกรู้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรานี้เบาเบาเรานี่แบบอืมตอนนี้ก็มีสังขารทําทงานแล้วค่ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ทั้งหมดทั้งมวล น, นี่มันก็มีแบบไม่มีอะไรมันมันลึกไปกว่ามัน คือมันจะลึกไปกว่าตอนที่เราไปดูผู้รู้อีกทีอะคะ่ะไอตัวนี้ที่ที่หนูอธิบายให้พระอาจารย์ออสตอนเย็นอะแล้ ว, แ ล, วแล้วมันจะฟังเหมือนยากอะ่ะแต่ตอนนั้นเราเราเราเราก็แค่ออยากบอกอาจารย์เท่านั้นแหละคะ่ะมันหนูก็เลยยังไม่ได้อธิบายเลยว่าว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าอาตอนนั้นกําลังนั่งอยู่ในรถ ด, ด้วยแล้วแบบ ยังไงก็รีบรีบรีบให้มันตัดๆสั้นๆนะอาจารย์ได้รับรู้ไวอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ละเอียดตรงนั้นแต่ว่าถ้าละเอียดตอนนั้นเนี่ยถ้ามีใครอยากฟังก็ก็จะเรียบเรียงคำพูดเพราะว่าตอนนี้มันกำลังคำพูดมันนั้นแต่คำพูดง่ายๆเลยก็คือไอ้ที่ว่าว่าวิาสังขารเนี่ยแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละโมโนเนี่ยก็พูดอยู่นั่นแหละว่าอ๋อตอนนี้วิสังขาร น, นะ ทำงานอยูอ่ผู้รู้ตัวปลอมผู้รู้ตัวจริงหรืออะไรอะไรอะไรก็ตามอะ่ะมันก็ไม่มีและเราเห็นตัวเราที่ไปเป็นผู้เป็นวิสังขารผู้เป็นตัวรู้ปลอมมันมีคำว่าผู้อยู่ตามใดที่มีผู้เป็นผู้รู้แม้ว่าจะเป็นผู้รู้ที่เป็นวิสังขารหรือ สังขารมันยังมีตัวเราไปขั้นอยู่ตรงกลางตรงนั้นอยู่เป็นผู้รู้อยู่เราก็เลยเห็นตรงนั้นและเราก็ตัดคำว่าผู้ออกไปด้วยปัญญาหรืออะไรก็ตามผู้แค่นั้นมันเหมือนกับว่าเราพลิกไปอีกอันหนึ่งว่าว่าว่าจริงๆมันก็ไม่มีผู้ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้ดูผู้รู้อีกทีวิสังขารสังขารอะไรมันมัน มันไม่มีอ่ะ ม, มันมันมีมันเคยมีตัวเราที่ไปไปอา่าไปตั้งหมายว่านี่คือวิสังขารนี่คือผู้รู้ตัวจริงนี่คือผู้รู้ตัวปลอมนะแล้วเนี่ยผู้รู้ตัวจริงทํางานอะไรอะไรอะไรนี่นี่กลายเป็นเอ่อมันมันกลายเป็นมันไม่มีแต่ตอนที่เราเห็นวิสังขารก็จริง เรายังไม่จบเรารู้ตอนนั้นว่าเรามีเหลืออยู่เราไม่รู้มันเหลืออะไรมันไม่จบแต่พอเราเห็นว่าผู้เป็นวิสังขารมันยังมีผู้อ้าวผู้ผู้ไม่เป็นวิสังขารคือผู้ที่เป็นสังขารก็ยังมีผู้อ้าวสรุปเราก็ยังมีตัวเราอยู่นี่ที่เป็นวิสังขารอ้าวมันเลยสลัดทั้งผู้เป็นวิสังขารและผู้ เป็นสังขารอย่างนี้ครัอาจจะฟังยากเพราะหนูยังไม่ได้เรียบเรียงคือมันตอนนี้มันออกมาจากเป็นอย่างนี้อยู่ออกจากใจแต่ว่าถ้าเรียบเรียงให้เป็นคำพูดที่มันฟังง่ายกว่านี้ก็คงจะดีอ่าอันนี้คือสิ่งที่ประสบมาเอ่อจ็ดปดปีที่ปฏิบัติมาค่ะคือตอนนี้ธรรมะไตรลักอะไรเราก็ไม่ได้ไป มันนี่คือชีวิตพริกแบบพริกจริงๆอ ะ, ะค่ะแค่นี้อนุโมทนานะครับได้ฟังชีวิตพริกก็เผ็ดจริงๆนะครับแล้วก็ได้เป็นประโยชน์